ตัวท่ัดตามสบายารสบายใจตัมีธัรญาเม่ปอกหลมีประโยชน์มากสมัยก่อนการเก็เงินงวัดที่ป็นการเ็บเฉาะอย่างเียเนา่อนอบายด ผูม้มานั่นเองถ้าเาเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีตัวหน้นาอยู่ตารตาตอนไหนใครปฏิบัติตอนนครเวัดตอนไหนใรในใจทำวัดปฏิบัติผู้ม า, า, า, าอยู่กันไปที่ไหนวันพระรวมกันทาวัด แต่ไม่มีการประปรุงกันจิตวิสัยอวระชัมมัตมัมากไปนั่งเรียนอยู่ก็ไปอยากไปทำประจำเจ้าของแต่จิตของเราก็ทำทำไม่รัสมุนหามัตสุเกิดเอง การฆ่า ส, สัตว์การยิงเราปลุกเราเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติเหมือนกันบางวงค์ก็ไมานาน่น่าพูดดีก็เข้าใจบา ง, งองค์ก็ชอบสั่งที่สั่งใช้ บางเช้าบงเย็นอบบนี้างวงจะชอบเบียบางวงชอบผูเ้เด็กแ้วครับอย่าการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นบ จนูบ่ายเพื่อจัสังสอนจิตของเรานั่นแหละให้สงท่องสอนท่องพระนั่นแหละนี่เป็นเป็นบายให้เรารู้จักความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรา ที่เรามา buat งนกุศธศาสนานี้ปกระสุดถ้าองค์ของเรามีพุศธตัวหงึอยากจะให้พุทธบริษัทนี้ตู้จะกข้อาไปพุศลทิบัติเพื่อสรงสะทมอนในคำสอนของท่านให้พุทธศาสนานของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเ มาตัวปิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยศัาวิริยเกติสม า, าธิปัญญาที่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทันห้นา ห้าอย่างนีเสนอบพละเป็นกำลังที่เป็นพลังพลังของจิตตัทธานรัทธาแหวความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็ดี๋ยัทธานีมันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงสัทธา พัทนามั่นเชื่อจิตใจของเราเรงมันมะจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมาันจะเชื่อกันพู่ง่ายก็ต่เร่างบาุญสมัยก็ต้มีพัทนาผู้มีสัทนานั้นจะต้องคารวะศรัทธาธรรมระสง์ อยู่เสนอระวังไอ้สิที่มันผิดอยาทำะไราเรารู้จักผู้ปฏิบัติงานอะไรก็เพราเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันนั้นมันผิกอนัมันเัชอาวก็เรียกว่ิ ไม่ใช่เรามันเป็นอย่างนี้อาบันตนมันเ็นเรื่องทีเรามาประพฤติปฏิบัติในก้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความ บ, บริสุทธิ์สมบูรณ์เล่นเป็นทีว่าเรายัางไม่รู้จกักไม่รู้จักประพฤติธเจ้าความเพือ่อ จะข้อประพฤติข้อปฏิบัติทางนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมนุเเนเฉยเฉยอย่างนี้มันก็ไม่น่าเป็นป่วยมีกต اه เชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้พูกง่ายๆมันก็ไปกันได้ขนั้นี้ อะไรที่เรงยังหลงผิดอยู่นั้นเลยอันนั้นเรยังไม่รู้จักไม่รู้จักประกอบคารอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาจะ อ, อาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียงเทียงกันไป ท่นานบอกศรัทธาอยา่าไะเห็ น, หน ว, ว่าเราศรัทธาเราจึงจะบวชแต่บวชก็ไม่ทตามขั้นตอนของพระพเจ้าของเราอนนั้นเรียกวศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำ น, นี้ยังไม่เรียบร้อยใจก็พยายามอยู่เสมอสอยู่ศรัทธาความช่วย ต้นตอมันก็คือคคอยู่แต่พา้าพาพสัจจคตาแล้มันปกจะอยู่อะไรถ้ามีาต่พาแล้วจะมีความเที่ยงมีความเทียงเทียงเพื่อ อ, อะไ ร, ระเทียงเพื่อะจะรลข้อจิตอันนั้นพยายามจะแยหาในาทางมันผิดูกอยู่เสมอ พระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อห ว, วดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทนตัวเป็นพระศิษยใหม่เสมอไม่ใช่แบบเกา่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสนอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่งเสมอเรื่อยๆใจ จะยืนจะเดนจะนั่งจะนอนจิตก็ปราลบอยู่ว่าอาไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เดือดร้อได้โดยวิธีอย่างไรไม่มจะมีความมากน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้น เราเรียนรู้อยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จากความผิดชอบเฉพาะตัวอะไรอยู่ทุกเวลานี้ยน่ที่คำว่าอัตโนมัติยัตนานลงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสาคัญกว่าเพราะว่าตอน ที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งมันก็นั่งตนนก็นั่ ง, อ น, น, งนอ น, อ น, ววอนอมันก็เรียกว่าตนอเรมาจะเป็นตนตรงนั้นเนี่ยคันเียกว่าคนมื่นมันก็จะเป็นตัวตนคนอื่นก็ ต, ตัวต น, น, น, าตวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะไ ม, ม้นอนตอนกลอนมันห่างไกลจากตัวตน ต, น น, ต, ต, ต, ตนนั่งคอตัวตนคตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่ราคิดอย่างไรในนอนในคิดอย่างไรยืนไปราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการประทันชนนี้การเรีว่า ด, ด, ดยักดูเตี้ย เพียงเท่าจะความเท่าจะต้นทัทีไม่จะเพียงวางอืน่นไอ้เพีย ง, ส, งสิ่งที่มันผสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติเม่อผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิไอ้ความที่ไม่นี้ย่ก็เรี ย, รยกว่าสองขบริสุทธิ์นั่นคืจะเป็นตกเพียงวยรงริริยาลั n สารงกียง แล้วจนนั่งจะยืนจะเริงนอนอย well, kind of meeting, at, 2, ued, ู ed, ่ประจำนีความปลารบอยู่เสมอยังไงความอยากของเราอ่ะซึ่งมันมีความร่องเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะวางลงไปมันจะน้น้อยมันจะสั่นโดมันเปมีความเห็นชอบการธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้น ยุบต า, าลึความเพียรอยู่เสมออ ม, มันไม่รูมม่นมีความเพียรอยู่ก็ ม, มีสติสติคือความระลึกาอยู่ในเมืม่อเราพูดอะไรทําอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติสตื่นดูกระลุก ย, ยูเสมอ มเมื่อเรามสติรู้ง่ายมันจะรู้เด้เมื่อเรามสติเมื่อเราเม ส, มามสติโยมยันตการสัจจ์เช่นแรลงมุที่มันทรารังมันที่ไหนมมีโอกาสบรงว่ามันไปทาลังมัน คำใหญ่บางครังไปฝานหน้าไปฝานหนมามันเป็นรังสิงยูตามอากาศคี่เมื่อเก็บ์ก่ตัวเขาจะนอนอสีอ่สุกลางของรังนั้นนั้นเฉยอยู่แต่มนน่งอยู่ยสงบอยู่ดวลีสสิตอยู่จับสำรวจเก็บตัวไว้ ีต่ตตรงกลางลังมันเนี้ยพอมแเลงวังมะเลงงึ้่มะเลงต่างๆที่มาาีหนื้อ่านใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสกรุ้นรู้จักตัมวมะเรงเงินรู้จิตุขึ้นเรียกไปจับจับนั้นเมืนอาหาร เมืเ่อจากเร็ดวันต่อเรีกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทั้งความสงบนวลมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาสู่เข้าตัวงงสัมขพักเมื่อไรมเมรงงงก็ถึงเพราะว่าเรังงงมันอยู่ในสติเพรมันจ้องกินอาหารมันบำัดระวันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา เมื่อจับแล้วนั่นก็วิ่งมาอยู่ที่เท้าบันอย่างนี้เป็นอิสัยของแมลงงูที่จับจับกินอยู่แมลงงูนัน้นก็เหมืนอนกันไปจิตของเราจิตของเรานันอยู่อยูกลางของอายตนะตาหูจมูกจมูกตาจิต มีความรู้สึกอยู่เติมอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปเห็นรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่ในความสียงมันก็รู้สึกมันมีสติอยู่ในกลิมนเหม็นหอมอะไรมันก็มีควรู้สึกเรื่องน้ำสัมผัสรสโอชารสต่างๆมันก็รู้สึก ธรรมารที่มันเกิดขั้ใจมันก็รู้สึกนี่เรียกว่ามรรจัณพัดธันพัทธ์ั้นแรกมันจะรู้สึกเฉยๆเช่นหูเราหรอบรรจัณพัทเสียงต่อมามันมีเสียงต่อมาตัรู้ตัวดีเสียงตัวดีฟินตัวดีวรฏตดีโสตปะตัดีธรรมาลงก็ัดีเมื่อเรามาสัมพัสแล้ว มันก็ยัง ม, มีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วยัวมีความต่อไปมีความต่อซึ่งมันจะเกิดทีเดีซึ่งมันจะเกิดปัญหาอืซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิด โ, โมหะขึ้นไอ้ท่างแรกจะมโนมรู้เรื่องอะไรมันมรู้สึกเฉย เรามีความรู้สึกแล้วแววตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ทะเลาะจริงเมื่อเห็นลูกมันก็เฉยอยู่ต่อไปไม่เกิดขึ้นที่หลังต่อไปลูกมีสวยน้อยเพื่อนไมสวยน้อยอันนั่นเยิ่ยกว่ามันกระทบต่อมามันไม่เกิดกิเลสันไม่เกิดปัญหาไม่เกิดราคะเกิดโทสะโมหะ ผู้ประพฤปฏิบัติมีความมั่นใจนั้นถ้นาเราบรรลกระกวังอยู่สังวะอยู่สังวงอยู่รุ่งเรืองมันจับรูจักตัวของเจ้าของรูจับจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนี่มันเป็นไปมนมเมักษณะอันไร มันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของกระของนั้นเราก็รู้จักสัง่งสอนจิตของเจะของเมื่อเรารู้จักจิตของเจะของแล้วเราจะรู้จักสัง่งสอนจิตของกระของตอนนั้นดังนั้นตัวสตินี้เป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราตั้งวางอยู่ตั้งวามอยู่ก็บรรลปัญญามา ลูกนี้ม <créer noise> ันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหยปัญญามาช่วยพิจารณาอันมี้โดยสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิมีความตั้งใจนั้น สมาธิ ม, น ม, นาามนนธันมันจะเกิดมาจากสมาธิเองสมาธิถ้าโพื่เื่อนเนี่ยสมาธิตามจาสสมาธิมันท่านหมายถึยงความตั้งใจมันอย่างไรก็รดะอารมณ์ที่มันช่วย สิ่งที่มันมีม่คืณทายมันนั่นในข้อประพฤตของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่นสมนาธิของคนใจมัน่สนสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ตัวันนี้สมาธิที่มั่นเรื่องดักรักษาการล อันใดอันหนึมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทาําไมถึงเอาเป็นอารมณ์ยังอนาตาณสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในทิ่ที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่ น, นั่นเองที่สมมามมุมมาให้เป็นหลัก เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหังเสียงก็เป็นอรมนึเมงเีรวมสิเป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์้่งที่มันอ า, ารมณ์เนี่ยมันูสร้างังนันถงระวังุดมากๆว่าเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลอกอามจะเอาอ ที่วัดเรานี้นสอสอาณาตาและสติอาณาตานสตินี่มันเป็นของง่ายเพราะอะไรเพรามีเหนือเรานั่งอยู่แล้วก็หายใจอยู่ไปเวยียนไปหายใจอยู่นอมไปก็หายใจของเราอยู่หังนั้นต่อกำหนดไอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่นใกล้เป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์ เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืสอนาตาและสตินี้ไม่ให้มันกลุ่มสร้างอะไรอย่างคัวทักมากมากมันมีมากแต่การมันเน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยเรามันมากอยากจะทํำให้มันน้อยเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกอารมณ์ขึหายใจเข้าออกการได่พร้อมแต่รู้ว่าพุทธโธ พุโทโธว่าในใจของเราเสมอมีความละงรู อ, อยู่รู้อยู่เติมยึดในพุโทโวนั้นยืดตเรียกว่ามันเป็นอารอมณ์เมื่อาทันไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกก็เป็นพุโทโธหายใจข้ากเป็นพุโทโธ ุโทโธนั่นก็หมายที่ว่ารู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยิตของเราที่เราตื่นอยู่ในมนุษยถ้าเรารู้จากจิตของเจ้าของมีติอยู่เราจะรู้จากจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราจะเห็นัดผู้ที่มีอานาจรับอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอะเรียวกว่าตัวจิต สมมติว่าจิตหรือใจอืมที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมติรู้ตามลมเข้ามันจะรู้จักลมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกหน่าจะคืตัวจิตที่เราสมมติแต่ตัวจิตถ้าเรากำหนดรงหาใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นเองใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นเราก็รู้จักกับใครตามรู้อยู่ นตาร evet. ู้อยู่นันเวียดว่าจิตอารมณ์นั่นตะเป็นอารมณ์จิตนันนัเป็นจิตก็ผู้รู้นเป็นผู้รู้อารมณ์มันเป็นอารมณ์ตอนท่านท่านทปสมาธิเมื่อเป็นสมาิีอามันเดยายแล้วจะเห็นจิตตรงเจ้องว่าอ้จิตีมันเป็นอย่างอารมณ์นีเป็นอย่างอารมณ์ที่มากพกันมันเป็นอย่างน ผู means, ้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือพุนสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทําสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของจ้าของถ้าไม่รู้จิตของจ้าของก็ไม่รู้จักสังสอนจิตของจ้าองไม่รู้จักจิตของจ้าสองจิตเจ้าสองเร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตทองใสก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู ủ, m m ào, ้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนทุศูนย์หลายใารตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะหวงของมันวงของมันคืออะไร มีโรคมียัง้งมีปริ่ีรถมีโภตต่งางมีคำอารมณอันนี้นะมันจะเป็่วงมันเป็นห่วงอันหนึง่งพึ่งจะโผจิตพู่งขึรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอานาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอนาจ ข, ข, ของความเกลียดของความรักนี่ย ถาว่าเรารู้จิตพอมะอนั้นทั้งเาีิู่ราจะรู้ว่าอ น, นี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแรแยกกันออกเป็นสองอย่าง เ, า เ, าเป็นสองอย่างถ้เราแยกกันเป็นสองอย่างเราจะรู้จากแต่จิตอนั้นจะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั้นจะเป็ยว่าล โลกหลงอาลมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอาลมใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่มันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันส็ูลงไปตามสุขมันก็หลูไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันเปลาตัวมันก็แพ้นะว่ามันเป็นตัวตก ไอ้ความเปจริงนั้นมันจะทุกข์เพราะว่ า, า, ามันเข้าไปอุปทานมันไหมในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเราจะเป็นเจ้าของอารมณ์ไอ้ความเปจริงนั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยกว่าอันนั้นมันดี อันัมันสวยอย่างมีเป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นเร่องประทานนั่นหมายประยุกธ์นั่นหรือมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแบบเดียกว่าดวงของปยญญามันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปความทุกข์มันก็ผูกไป ชั่วมันก็ผูกไปดีมันก็ผูไกปไปอย่างนี้อืก็เพาเราะว่าเราไม่รู้จักจิตเราไม่รู้จัก อ, อารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตองตัวของแล้วอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างอถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้น เราต้องรักษาอารมณ์นั่นอยู่เติอารมณ์นั่นอยู่จิตใจจิตใจของอารมณ์นั้นถ้าเราเข้ามีว่ามีจิตมีเป็นอารมณ์เราจะต้องรู้จักสนจิต้าของรู้จักสนิตองเาอเราม่ควรสงบนิ่พราะวอารมณ์ขึ้นมาเราจะรู้จักเออมีเป็นอารมณ์ อันนี้มันเป็นจิตมันก็ตรวจง่ายๆมันประอยู่ใกล้การคิดตั้งเหมนการ น, น้ำมันัหนักผามันมีน้ำหนั ก, นน ก, นกต่างกันใจสองคนเดียวกันแด่แต่ว่ามันแค่คันต่อหาตั้งจิตปับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นติด มันก็เห็นจิดเป็นจิเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์ทนั้นอารมณ์นั้นจะทำหนบาโลภเราหลงโลกต่อตัวหลงอารมณ์หลงอารมก์ต่อตัวหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ไปทั่วทักันคุณแยกกันได้เนี่ย แยกเป็นอกไป็นใจว่าอะไรมาเป็นจิตอะไรมาเป็นอารมเ์แยกนะเมื่อแยกแล้ก็มารูจัก่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์เมื่อดูจักจัะของเมื่อมารูจักจัตของก็มารูจักสันคองจิตของสัพองนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านรังวรวิทังรวมนั้นก็ผลักัล้านี่มาเป็นจิตอนี้ห่านเป็นอารมณ์มันผักถึงนั้น อารนั้ น, ก, ออน ก, ก, ก็สัตว์ตัวอามรมณ์ผนก็ตัวสัตว์็นอารมณ์ก็สัตวาอารมณ์นั่งจนธรรมชาตินั่งจนอยู่อย่างนั้นเขาจนอยู่อย่างนั้นตั้งจะไหลจะไรลมาเขาก็เป็นั้เกาอยู่อย่างนั้นทาราไม่รู้จากถึงทั้งหลายเหล่านั้ น, น, น, นเราก็ไปจำทำนั่งหมายมัน เราทำไงมันเป็นอย่นั้นเราทำไงมันเป็นอย่างนี้นนนอนตอ น, นจรงนงวันนี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นจะพูดก็ตามเพื่อให้ปฏิบัติให้ติดมาที่สั่งสองว่าท่านทั้งหลายหรือว่าศูนทั้งหลายจงมารูโลกนี้อา น, นาจการดูดว่าตลร อันพวกตั hmm. hmm. ้งเสาตั hmm. ้งดาวอยู่แต่รู e ้นะสมมติอันนี้เป็นตัวขมาทำกันอึ่งต้นตรงกรต่าราโลกนี่มันวุ่นวายนั่นก็เห็นอยู่อย่างนี้โลกนี่ไม่ใช่ามันวู่วามันเป็นธรรมดายังไ ที่เราสัตยหมายนันเม่พอใจต่อมันมันก็วุ่นวายการู้ความป็นจริงวัญญาและสติเนี่ยที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้นก็ควุ่วายเือยไปเถ้าคนมีปัญญาด้วยที่นั่นมันไมวุ่นวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วสติเนีที่นั่นมันวุ่นวายหลวงปู่ทุก้าสังเกตรงนั้นไม่มาดูเรื่องนี้เรื่องจากการดว่าสตด คนเขาวคือคนโง่คือคนไม่จักคือคนหลงหมกอยู่แต่พนรู้ทั้หลายรู้แล้วในความอยู่คือไม่มีวนเวียนคือไม่ไม่ตัดท้องก็เพราเห็นหน้าของเขาเป็นขอเใาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื่อนฐานของการปฏิบัติเพื่อนฐานของความเห็นของการประปฏิบัติไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเขารู้ ถ้าเราม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์มันมีหน้าตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีตามีกระบวนการจิตเฉยๆตรงนี้ทุกคนก็รู้สุดเกิมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกลิ้นตา ในคมทถูกว่องอะไรตว่ามันเป็นพันมารมันเป็นความเก่าที่มันถูกว่อในเวลานั้นมันระบขึ้นมาอยู่ที่จเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยเห็นไม่อก็ตามที่าะแต่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันก็เป็นันมารมเป็นพันมอารม มันเรียนเกี่ยวกับ ต, ตัวมันเงมันต่งเงี้อยู่ในใจอะไรแบอุปาทิกขันอุปาทิกขันเมื่อมันใด้่วงเมื่อไรมันก็จะเกิดขึ้นมาเกิความยินดีขึ้นมาเกิความยินดายขึ้นม า, อ, มนมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต่งเห็นหูก็ไม่ต่ได้ยินจมูกก็ไม่ตได้กลน รุ่มตะนี้าวตะโระดับนถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นาที่จิตที่มันเกิดขึ้นมาทีจิตนันจิตนก็ยังหลบของมันอีกแ้วยังไปหงรักยังไปหลงเข้อยู่ใสถานที่นั้นอีกถ้าเราเห็นตัวนี้ถ้าเราดูตัวนี้ เรสังสารพิเห็นภัพอยู่ อ, อ, ยยอย่างนี้น้องก็พยายามดูที่มันเกิดแล้วมันก็ะดับมันเกิดแล้วมันกระดับหลาบแล้วมันก็ะเดิดเกิดแล้วมันกระดับนั้นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอนันไมได้ทำไมใครถึง น, นั้นแบบที่ยยเขาโยคะวจานจเห็นภาพว่าอันนี้มันเป็นทางมาพาอันหนึ่งตอนนั้น นี่และธรรมะมันโวดแล้วมันก็ดับไปหนักแล้วก็เกิดขุนมาเกดขุนมาแล้วก็ลาไปถ้ า, ถ า, า, า, ถาคุณมีจาระพานเหอนอิฐอันนี้มัน็ะของรวดตับอยู่เหมืนั้นนันเ็ตัวอย่างอดีถ้ารู้พัดมันหนอมันก็ปวดตับของมันอยู่อย่างนี้ยก็เหมือนโลกเนี้งเวลามันคือสวา่างมันก็ตวา่าง ถงกรลามันเมื่อมันเสมอเมืดอนันก็เป็นของมนเร่องนันแต่คนที่ยุ่งในการงานก็กะหายโทอมันบ้ามันเมื่อเร็วไปด้วันสว่างโรไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันเรื่นันก็เป็นเรื่องของมันเป็นจมูกอย่งนั้นอันนั้นดกวยเวลามันล้มประทุนเจ้าปรทุนปฏิบัต ให้ปัจจบัติีเพื่อหายลงเพื่อน้นหายลงขยโาความใจจิตใจจิตพวกเราอยู่เ น, นี้ศึกษาศึกษาให้สล่มความจริงเมื่อจิตสงบกันอยมีกติอยู่มีสัจธัญมาอยู่เป็นสมาธิอยู่มันถล่มเดยที่สจะดับนะ เราบรรลุอาการทางหลายมันเต็มเป็นนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมาอืมเช่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเกินอยู่นั้นอยู่เสนเอและาจะเห็นอาการของมันตามความเป็นจรงของมันเห็ว่าว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่ เมื Vietnamese, Vietnamese Vietnamese. Can anything, ่อเห็นพักชนนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องเพิ่อะไรมันขึ้นดีไม่ต้องไปถอนอะไรมันดีปล่อยมันดีตามสมัยนั้นมันแต่คนที่ไปเพิ่อะไรมันมาไปถอนอะไรมันมาคือคนถงอารมณ์มันจะเกิดยุ่งเกิดยุ่งรายเกิดความไม่สงบที่พพบทธจ้าสอนให้เห็นโลก คือโลกคือมันตามเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดเจนปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลยท่านใหแก้ไขตัวตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแกไอย่างอื่ ขณะไปเจออไอย่างนี้นั่นก็เรื่มันเป็นภายนอกไม่่สิ่งที่เกิดมาจากนั้นฉันกำลงดูรู้ด้เอาควเสียงเราจเห็นหน้ารูปนั่นมันเาไม่ชอบมันรู้เสียงันเาไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นมันเป็นเหตุที่ให้ใจเราสบายก็นึกว่าเสียงนั้น ทำในใจเราในสบายตอนนี้ว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงๆ น, น, นั้นเอเตุที่อยู่ที่ตรง น, นั้นมันเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของเองถ้าเราเขไปสันันนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้น แต่ความเนจริงนั้นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราเราไปเศร้าโศว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่โลกเสียสิทธิ์แต่ความเนจริงนั่นมันกระทบถูกต้องมันกตกอย่าความเห็นนีเองอันนั้นมันจะอยู่กับผ้าของมันอย่างนั้นนี่แต่ก็อย่างอื่นแค่นั้นพระพุทธเจ้าจึงจัดให้พุทธบริษัททั้งหลายมาดูโลก มาดูโลอันนี้ใค้มันแก่มันรูเรื่องการความจริงของมันการรู้การความจริงของมันเนี่ยก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขเลยหลตามมันสักปัญญารู้เท่าสังขาร บาทั้งคานมันเป็นจริงอย่างไรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยกับปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหัวเราได้ยินไปดีอายตนะทั้งหลายที่มาบวลหนุนเนี่ยเม่เราได้ยินไปมันก็จะทำไปเนาะ เป็นส like, ัจธรรมตรงนั hmm. ้นเนี่ยมันคือความจริทตรงนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความจมิมันก็เลยเป็นของปลอม่ไก็ตปพุงพรงมนเป็นอย่างนั้นก็บพุ่งมันเป็นอย่างนี้ไปจอดมนเป็นอย่างนี้ไปจอดมันเป็นข้อประทุพม่ยังนู่ั่นก็มเป็นันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น ถ้าเราเห็นฟั้น์ชันนนี้เราก็รู้จักสั่งสานจิตของแต่ตองเลยว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นนก็สักว่าอารมณ์ชนนั้ น, น, นมันมาจากทําไหนจิตนี้ก็สักว่าจิตนั้นไม่ใช่สักบุคคลเฉพเป็นดาวสาวด้วยกับจิตนะ คนกก็ไม่มีอะไรทำไหนในครจะนั้นอารมณ์ัก็เป็นเรืยองอจัยึดนั่ น, นก็เป็นอนิจัตัดผ่านเปรตในสขด้วยไมต้มีใจมากก็ราาู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นผมณนั้นัเกิดดับไปดูเห็นอารมณ์ีติดตามอารมณ์ั่วติดตามต่เร่องกว่ามันเป็นอนิจจันั้นม เราควรจะมีหน้าที่เรแล้วตัวอันสั้งตัตัวพระพุทเจ้าตัวต่อต้านมัยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราให้เกิด็นพระพุทธเจ้าครบกันหลายกระนการนั้นถ้าเห็นกราดีทัดเยมันก็เป็นพระสมบูรณ์เห็นเราดีใจจนเป็องในทิ้ ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังสารในวิญญาณทุกขทานมัน่นหมายมั่นโตมัต่นปัจจุบันมั่นถือนั่ น, นในฐันทั้งห้าถ้าปัจจุบันเป็นฐ า, านทั้งห้าเป็นกองแล้วมันสุดยอดกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณ น, นี่จะเป็นฐ า, านห้า คือม น, นมีห้ากองพระพุทธเจ้าทรงมีกิจนาสันห้าใครมันจะพุกขันห้ามี่มันจะพุก้องรูกกองวยานาตามสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยเหตุลยต่สังารเป็นสิงออนวยเันสังขาร โลกโดยธนาสัญญาสารยานี้ก็มาสุดตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกกราทำห้ามมันเป็นต้นมันเป็นตองห้าตองตองรูปมัเป็นตองกองเลกนาก็คือกองสุกกองทุกข์นั่นนันจะเป็นกองสัญญานี้มันจะเป็นกอง สังขารนี่จะเป็นกองวิญญาณ น, นี่จะเป็นกองไอ้สิ่งนั้นเป็นกอ ง, งตป็นกองนั่นเรียกว่ามันเปดก้อคนเราคนคหนึ่งมันมีอยู่ห้าก้อนทีมีอยู่ห้ากองกองลูกมีกองเวทนาจะมีกองสัญญาจะมกองสังขารกองวิญญาณเรยยาจะอยู่จะได้โดยฐันห้านี้ทาา่าเนเบลต์ก้อนดูมันเป็นอง ผู้ที่จะมีความทุกข์มีความแปรปรวนก็เพราะยึดเอาข้อนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้านี่แหะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเคยยึดหมายถึงคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่นั้นทีงไม่ใช่ตัวใช่ตนเราเป็นตัวต้นที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้ป็นว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นิจาทิฏฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะมืันก็เกิดทุก ก็สิ่งทั้งหลายเราเป็นจุก้อนเฉยๆเป็นจก้อนจุดกองหาอย่างอื่นนอกนี่ไปมั้จะทุกข์เราทุกข์หลับไปแลจาจะตกเกิดจนเราจะกกระดับอมืมันไม่ยั่อยืนหาวองอยู่มันเป็นอยู่แบบนี้ท่านจึงเรียกว่ า, าอาการตามาเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลาย้องมะเห็น บวตจนของขีนนั่นก็ขัดแย้งแล้วไปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตัดรู้ธรรมะก็คือตัดรู้ตรงนี้มจะรู้อย่างอื่นมันเห็นพัดไปด้วยสันห้ามมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าสันห้ามมันเปนตัวแปลไปใช่ไหมมันเป็นตับ เันจริงแคมว่าเกิดบักอยู่ตลอดเวลานั่นจะเป็นอน่างเมื่อเห็นันนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรมันยืมันเห็นสุดกต้ อ, องทำง่ายๆคิดง่ายๆแลาวมันกิดบักไปมลูกเรียวก็ เ, ก, เกิดกูกเดยก็บักไป เาสิ <cin> <and true> ่งใดจะมาเกิดดับในดินอกจากตุกับทุกแล้วทุกมันเกิดแยกกระดับไปทุกเกิดแยกกระดับไปมันเป็นเรื่องของแบบนี้เอีถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแบบนี้ก็เหมือนแปลว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เหมนเลื่อนทั้งหลายแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้หมดทางที่จะแก้ไขเรื่องแบบดินนอก เห็นจรงเห็นโลกว่ามันเปนอย่างนั้นถ้าเห็นก็จะต้องเกลียใ่มันถ้าเห็นรใจก็สดายก็สดายเห็นโลกอนิจจังเป็นจริงวันนั้นกาเห็นการูธรร ม, มะกาูธรร ม, มคือเห็นรูปเ น, นามนี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ในจรงทั ir, er huh. protein, ้งหลายดาวนั่นเ็ออกจากตัวของเราออกจากตนของเรานันก็เลยเป็คนเป็นสิ่งที่ว่ามัมีตัวตนมีสันหน้านาได้ยากหนึ่งที่ว่า่าภาษาลิบทซึ่เป็นายการของพระพุทธมันมีบทจอปุด้ว้วถามปัญหาด้วยกัภาษาลิบบท ถามปัญหาของพระคุณตมีบุตรท่านคุณตมีบุตรท่านจะออกไปพูดงงถ้ามีคนมาเดือนถามท่านว่ารูปเบตนาสัญญาสังสารยินยานมีตายว่าเนอะไรท่านถาม พระพุทธมีบุตรสวรู้ทานั้นท่านอากจะทญยมยานสดยอดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านสุดยอดสันดับไปตรงนั้นไมนมีท่านมมีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านเคยบอกพระอาจารย์ว่าพระคินาสุกตายแล่วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านเคะกอกเพียงว่า ลูกเทนาสัญญาต่างๆยืนยันเกิี่ยวกับแบบไปภาษารนบที่เป็นอาจารย์กับพอใจในความเห็นของโลกคิด่ามมีไปได้เ <era> น <t és> ้ะท่านก็จะมาสอคนธรรมะจะมีบุตรไปสูงเนี่ยท่านถามอยงนั้นเพื่อ ต่อความเข้าใจของรู้สึกเม่รู้สึกต่อมาตามความปจริงจนนั้นเนีน่ยต่อนั่นหมดต่อแล้วหมดคือ จ, ะ, จ ะ, ะตั้งใจตัวหรือตนตรงนั้นมีพระคุณ า, าตกตายแล้วเป็นอะไรพระคุณาตกตัวตัวขึ้นแต่ขึ้นจะดูอะไรเนี่ยตายได้เป็นอะไ ถ้าคนมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประจกมาแล้วบ้านหลนมันเป็นอย่างนั้นท้านหนุนนีอะไรเห็นจะทะเวียงว่ารูปเอทน า, าสัญญาัต่างๆหยุดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย น, นั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้ว อย่างพระโมกขราชเห็นจุเนจ่าทำจนามที่ไม่งตายถ้าถึงจุดอันนั้ น, นไม่ตายทำในที่หนึ่ตายมไม่มีค น, มนไม่มีสักถ้าไม่มีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่มีสัตก็ไม่มีใครจะตายตัวกลางเห็นชัดแม้มันพ้นจากตัวตนเราเขา สลแต่ข้ามิีกองดินกองนา้ากองไฟกองลมผลแจะกันหะ้นนามมีแต่รูปมีแต่เวทน า, าสัญญาสัญญาลิขิตานมีคนไม่มีค น, คนตรงกับความทุ่กระเดียนถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดจริงไหม พระพุทธเจ้ากัยญาอ่ามว่าตามใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าตามีความเห็นเชนนั้นก็เหมือนกั น, น, นัดคือว่าลูกสอน ม, มันงกรหัวใจตามอยู่แต่นั้นขวางอยู่ตลอดเวลาอต่บางมันเอาออกยากมันเห็นยาก คือติสมมติมันถึงสมมติติดสมมติถ้าเราเห็นสมมติเห็นมีมดตามความจริงแล้วมันสบายไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายโลกเวทนาสัญญาสงสารวิญญาณมันจบไป ถ้ามันเป็นน like ั้นอะไรมันจะเกิดเป็นที่ไหนมีไหมเอ็ความโรคจะเกิดเปนมีไหมเอ็กวามโตจะเกิดเป็นมีไหมเอ็กวารู้จะเกิดเป็นมีไหมจริงทั้งหลายวันนี้มันจะเกิด้นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าการเห็นมันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นเปจากคนแล้วที่เดียมันจะเกิดอะไรไม่นมที่ตอกนั่นก็เรื่องจริ ล โ, โ, ลโลกโถดหลงเราก็หมดไปเพราสิทั้งหลายแล้วนี้มันเนกิดส ก, กัดเกิดกัปนุษย์เกิดกับตัวปตุนกัปเรากับเขาท่านเห็นหน้าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดกัปอะไรนั่นธรรมะผู้ถึงที่สุดของธรรมะนาคีร่าจามาัยพัน นัาากปว่าหาเราเห็นพ้นเราเห็นนักปวร่าตามไม่ทันนักปีราจะคือควาตายตามนม่ทันทนน่านคนพวกที่ในตายม <c oughs> ันจะตายจนจบตนรู้ัตกถ้ามันพ้นจากตนรูส้สแล้วไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะหับที่ตรงนั้นไม่มี อันน e, ี้เอความหมายที่พระพุทธเจ้าพระามีพุทธประสงค์อยากให้เราเห็นอย่างนั Stevie ้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์มันไ่มีทุกข์ทุกข์มันจหมดทุกข์มันจะดอันนี้ท่านพูดมาให้ปฏิบัติมันพ้นจากทุกข์ ถ้าเราไปยุดนั่นแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นจัดเป็นบกคคลอยู่อย่างนี้นก็เกิดแก่เจ็ดตายอยู่อย่างนี้นมันเหนค่อยปนพระพุทธเจ้างคท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดินไปก็มีอะไรมีแต่ันห้ามีแต่กตองโลกกองเวทนากองสัญญากองสัญญาต้องวิญญาณมีแต่เรื่องขันห้ามันเป็นไปตามสภาว่าของมันแต่นั้น อันนี้ทยานจ่าเห็นออกจากตัวตนนั่นยีอะไรจะสะทุ์นั่นหรือนั่นหรือสิ่งทั้ ง, งหลายเหล่านั้นเป็นผู้จุดลอยวานเตยเห็นหน้ามาเป็สภาว่าทำอันหนึ่งอันนัน้นแบบเกิดขึ้นแบบกระดาษไปเกดขึ้นแบบกรดาไปนี้ก็เลี่ยงเกิดดับอย่านั้นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ ให้พวกพุทธบริษัทต่างๆนั้นปฏิบ like ัต like. like like ิให้เข้าใจรู้อย่างนั้นให้เข้าใจเห็นอย่างนั้นถ้าเข้าใจรู้อย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเราก็้าใจธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ อันนั้นจะเลื่อนตามปฏิบัติเวรดุ่นทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติคือเราแนะนาท่านสอนการอยู่นี้เรืยองอาเป็นผิวธรรมเป็นผิวธรรมสอนเรื่องผีวธรรมสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอยากจะเหยียบยวนที่กันเรื่งกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขา สอนธรรมะทวนด้วนก็เดีว่าไม่มีเรามีเขาหล่ะพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนเรื่องศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเราหรือเขาต<ม>่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุธทธะป ร, รสงค์อยากจะให้าสาวกท่านหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นใหเห็นอย่างนั้นให้จนอยู่อย่างนั้น สงบนงียบสงบสงบจากจากสงบจากบุคคจากตัวตนจากเราจากเขาเี้ยนั่นก็หมดสิ้นแ้นที่ใาทางคุปตะศาสนาของเราตั้งแต่ตอนนี้นะ้นแปลว่าคุปตะวิปัส ยากมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามคำนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาแต่ความเป็นยือย่างนักหวชตอนนั้นอยา่างพวกเราเ น, ไไนี่ยควบง่ายเลยว่าแต่ว่าวิสัยมาแล้ลวลอยานได้ได้ทองมาแล้ว อะไรสงบสงบตะกี้ที่อะไรจนดูใสใสเสม น, น, น, นะอันนั้นเป็นที่ไม้เป็นเต้าไม้ของพกเราทั้งหลายเป็นเต้าไม้ของผู้ประพฤติเป็นเป้าไม้ของผู้ปฏิบัติอันนั้นจนจสารลุถุละนานะ คือคือความเห็นนั่นคือความยุดไว้คือความยุดไว้